10 ล้านบาทก็ในเบื้องต้นก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลาศรีจันทโธพร้อมด้วยอาจารย์ลิงกับหมู่คณะก็ได้รวบต้นเงินมามาถวาย 30 บรรจุโมโลมสาลิกธาตุไว้บนส่วนยอด 5,000 ปีพอเมื่อถึง 5,000 ปีหรือ 5,000 แล้วโมโลมสาลิกธาตุขององค์สมณสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าทีนี้ถ้าญาติ 5,000 ปีผู้ใด ก็คงอีกเหลือ 2,000 ปีนี่แหละก็คงจะนานพอสมควรก็ไม่มีใครจะสามารถรอดูได้ก็คงจะล้อเวียนว่าใครเกิดอยู่หลายร่องอ่าถ้าเมื่อเราได้ทําหมดแล้วก็คงจะไปเกิดกับศาสครบกับศาสนาของพระองค์ในตำนานก็ ถ้าปฏิสนธิไม่อุดไม่อยากอุดม 1,000 ปีขึ้นไปอันนี้ก็ อ่าๆให้ๆหรือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆส่วนทรัพย์ภายในก็คือทานศีลภาวนาหรือ อ่าท่านอาจารย์คือยังว่าท่านพระครูเอ่อพระ ā ra sa ā ka ขณะยุคการนับจําโดนเริ่มแรกคือองค์สมเด็จพระพิสุทธมาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหันเข้าทัพเข้าสู่ 6 บัดนั้น ศาสนาของพระชินสี 2568 พรรษาปัจจุบันสมัย 26 วันศุกร์วานมีนัย นะโม ผู้เป็นพ่อแม่ผู้บาอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งหลวงปู่ ผู้เป็นศิษย์ได้มาทําหน้าที่ในการแสดงพระธรรมเทศนาในวาระนี้ณบัดนี้อัตตมภาพจะรับประธาน ด้วยชมรมพุทธ NT บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่ว่าตอนนี้มงคลทั้งหลาย วันนี้ญาติโยมได้มงคลเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปสดอกเคาะต่อชะตาปูชาจะ เรามาเห็นหลวงปู่ได้กราบหลวงปู่นั่นแหละมงคลเกิดขึ้นแล้วสมณานั้นจะทัศนังได้เห็น มงคลเยอะแล้วเข้าในจิต ทำอย่างไรจะเกิดมงคลแก่ตนและบัดนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟัง เสื้อผ้าร่างกายของเราก็สาดขึ้นช้าแล้วเกิดอกุศลแล้วญาติโยมจะนําน้ํามาชําระมาล้างมาสะสางสักเท่าใด ธรรม ได้อะไรใหม่ๆเปล่าเวลาเจ何เราก striking เศุตมัล begging� khi ถอย ave they would liquids Freiheit.usa. intimidation agenda chuẩn나 mutая break catch wanda. karena si Tako aqui sa if you just got a damn day. यами tayи И. Ngay him? Nam o una gila. für 합니다. Read.他的 cornstack Technion.grown Malcolm. trienogramt. prayed. Annul. wurde einfachinya운 tia sa voixkiologyi pull outteriore.asi on P sort of lou du อย่าพุ่นกินทําไมล่ะยายเอาไปถวายพระคนเฒ่าคนสอนลูกสอนหลานให้ทานก่อนกินพอทานเป็นบุญเบื้องต้นที่จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะทานเป็นเหมือนบันไดก้าวไปสู่ปรนิพพานเมื่อญาติโยมได้ให้ทานแล้วข้อต่อมาต้องรักษาศีล ผู้บริสุทธิ์ 5 ข้อด้วยกัน 5 ข้อนั้นท่านปราลอบให 1 ให้บริบูรณ์คือการ บุคคลใดปรารถนาอยากได้โภคทรัพย์เพราะศีลนำมาซึ่ง ครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์คือต้องรักษาศีลข้อที่ 3 ไม่ผิด ไหว้ประเพทรักษาศีลข้อที่ 4 คือไม่พูด 5 ญาติโยมพุทธบริษัทหาก ไครักษาศีลข้อที่ไม่ดื่มสุราเครื่องดองของเมาต่างๆ มีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ปลอดภัยประกอบด้วยธรรมะ 5 ประการที่ส่งหนุนปักดัน เมตตากรุณาทุกข์ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความ ญาติมิตรและญาติโยมท่านทั้งหลายคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาให้พ้นทุกข์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่นานโมทนา ท่านกล่าวว่ามีอยู่ 4 ประการด้วยกันความสุขของปุถุชน ใครมีเงินมีทองมีความสุขใจแม้ยังไม่ 3 อินาถนังทุกขังโลกิการกู้หนี้ยืมศีลการเป็นหนี้เป็นศีลเป็นทุกข์ในโลกมีหนี้ ตรงได้ทํางานเลี้ยงชีพอย่าได้เบียดเบียน 3 ท่านทั้งหลายกามสังวรคือการสำรวมในเรื่องความรัก ประพฤติปฏิบัติได้ท่านทั้งสุขไม่มีการ คือการรักษาความสัตย์ซึ่งต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเป็น ด้ายมีสัจจะสถานที่นั้นย่อมมีแต่ความงอกงามมีความเจริญโบราณ จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันหากท่านทั้งหลาย ความประมาทเป็นหนดังนั้นท่านทั้งหลายจงให้ทานก่อนกินถือศีลธรรมก่อนไปและข้อสุดท้ายธรรมใจ ส่วนจิตใจญาติโยมพุทธบริษัตรก็ต้องการอาหารเหมือนกันแต่จะเป็น สัพปรโสธรรมรสังชินาติรตอะไรไม่สู้รสธรรมะดังนั้น ชั้นใดก็ดีบุญย่อมไม่ทิ้งบุคคลที่ประพฤติบุญบุญย่อม ย่อมเป็นเครื่องป้องกันภัยแก่ชีวิตในการดำเนินชีวิตย่อมมี แต่ก่อนหลวงปู่ของเรานั้นเป็นพระป่าปฏิบัติ ดังจะได้ยินบ่อยๆว่าเอาพระไปนำเอา 4 คําเรียกว่า ชาติเดิมอยากเป็น 4 คําก็คืออุอากสะท่องอย่าง ญาติโยมประพฤติปฏิบัติได้ถึง ย่อม 1 อุตฐานะสัมปทาการขยันหาทรัพย์สินที่หามาได้ข้อที่ 2 อาละกะสัมปทาคือความรู้จัก ไม่ใช้จ่ายสุรุสุรายไม่ใช้ให้เกินรายรับบุคคลใดทําได้ดังธรรมะที่หลวงปู่สอนบุคคลนั้นย่อมรวยข้อที่ไม 3 กัลยาณมิตรตาคือรู้จักคบคนดีคบมิตรดีก็จัดเป็นมงคลคือการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตนํามาซึ่ง สมะเชวิตาคือการใช้ชีวิตพอเพียงญาติโยมเลี้ยงชีพต่อแต่พอเพียงหามาได้ใช้จ่ายไปอย่าให้ประโยชน์อย่างทั้งเกิดในโลก รักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงนี่เป็นธรรมะที่ อยากโยมขอทุกวันนี้ไม่ให้แข็งแรงให้ร่ํารวยให้คนให้คนนั้นอยู่ดีให้ลูกคนน้อยเทวดาจําไม่ได้อยากรวยอยาก 1 อย่า 3 ให้มีเงิน 1, 1. อย่าให้ข้าพเจ้ารวย 2 อย่าให้ข้าพเจ้าจนเมื่อไม่จนแล้วมันก็มีข้อที่ 3 ให้มีเงินทําบุญ 3 ให้มีเงิน 32 ล้าน เอ่อแม่ 3 ข้อ 1 ญาติ 2 ญาติ 3 ให้มีเงินทําบุญอยู่ไม่ขาดดัง บาลมี กำลังปฏิบัติฐานคณะ เออวังก็มีด้วยประกาศณนี้กบุน สิ่งครอบอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแก่อำนาจบุกุศล ขอถึง